ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟัง MP สแผ่นที่93โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี MP สแผ่นที่93มีคติธรรมหัวข้อว่าสัพพังสุตตะมะทีเยถะ วิชาความรู้ควรเรียนทุกอย่างวิชาในโลกมีมากหลากหลายแต่ควรจะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดทั้งคดีโลกและคดีธรรมวิชาคนที่มีวิชาที่มีความรู้อยู่ณสถานที่ใดเกิดในสกุลใดถ้าคนมีความรู้มีวิชา ประกอบสำมาชีพล้หมอดในการทำการทำงานในการช่างในการบัญชีในการเรื่องต่างๆมีวิชาความรู้คนนั้นจะเป็นผู้รอบค้อเป็นผู้รอบรู้ไปอยู่นสถานที่ใดใครๆก็ปรารถนาอยากจะให้คนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ใกล้เพอะจะได้พึ่งพาอาศัยคนนั้นคนนั้นการเรียนรู้ ทุกอย่างเลิศประเสริฐเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราต้องใฝในการศึกษาเรียนรู้และจะประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมขอนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาด้วยเหตุและผลหลวงพ่อเองหวังว่าเมื่อเราได้เรียนวิชาความรู้ทุกขแขนงหรือว่ามากมาย ถึงจะไม่ทุกแขนงเราคงจะเรียนไม่ได้เราวิชาทุกแขนงในโลกมันเยอะเหลือเกินแต่ได้มากเท่าที่ความจําเป็นที่พวกเราควรจะรู้ควรจะนํามาประกอบสำ ม, มาชีพได้นั้นละเลิศประเสริฐด้วยอํานาจคุพนพศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ